นอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโอกาสหลมกลมพระอาจารย์สงสินเพื่อนสรรมิกทุกท่านนะครับเจริญธรรมไม่ชีระยะที่ทำทุกท่านวันนี้เราก็นักปฏิบัตินะก็ได้เป็นวันแรกนะที่ได้เข้าคอร์สจริงๆในการปฏิบัติในวันนี้นะเราก็บางท่านก็อาจจะสงสัยอยู่ว่าเออเรามาปฏิบัตินี้เนะี่ย ทำไมถึงมีการยกมือนะยกมือขึ้นยกมือลงโนะบกมือไปโบกมือมานะดูเหมือนกับไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นเขาหรือยอย่างไรนะมันจะถูกต้องนะตามพระไบปดกหรือว่าตามที่พระเจ้าเลยสั่งสอนหรือไม่นะนะหลายคนก็คงจะมีสิ่งเหล่านี้นะเป็นข้อเคลือบแคลงสงสัยอยู่เนาะ คราวนี้เราก็มาดูในที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเอาไว้เนาะในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดโปรดชาวกุลุชาวกุลุคือชาวเมืองกุลุนั่นแหละให้ได้ยินถึงอภสูตรสูตรหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากนะแล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการปฏิบัติในยุคของพวกเราทุกวันนี้นะก็คือสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐาน4ติก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนะหรือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองเนาะคราวนี้ในในหมวดกายซึ่งเป็นหมวดใหญ่นีก็เป็นหมวดที่เริ่มต้นขึ้นมาก่อนนะก็คือให้เราตามรู้ในนะร่างกายต่างๆเราเนี่แหละ เป็นหลักนะก็เริ่มต้นจากอาณาปาณบพะก็คือตามรู้ลมหายใจลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวต่อมาก็เป็นอิริบทบพะก็คือรู้ในอิบทใหญ่ทั้งหลาย ในการยืนการเดินการนั่งการนอนนะรู้ว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่กําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนนะเพราะฉะนั้นที่เราเดินจงกรมกันนะก็คือการที่เรารู้ในขณะที่เราเดินนะเดินหน้าถอยหลังนะก็เป็นอิบทแบบพระนะนะต่อไปก็เป็นอ่านะสามัญญาแบบพระก็คือการรู้อิบทย่อยทั้งหลายนะเช่นอ่านะ ดื่มกินพูดคิด ก, snap, ก้มเงยคู่แขนเหยียดแขนเดินหน้าถอยหลังถ่ายจระปัสวะต่างๆเป็นต้นนะหรือทรงจีวรสังฆาติก็ให้รู้ก็คือรู้ในบทย่อยทั้งหลายแหล่นั่นเองนะเพราะนั้นที่เรายกมือขึ้นขึ้นลงลงโบกมือไปโบกมือมาก็อยู่ในข้อนี้นั่นเองก็คือบทย่อย คือการคู่แขนเหยียดแขนต่างๆเหล่านี้เราก็รู้ทันไปนี้นจะเห็นว่ามันอยู่ในในบทข้อกายยานุปัสสนาสิกิปัฏฐานนั่นเองนะไม่ได้ผิดจากพระไตรปิฎกแต่อย่างใดนะเราจะได้คลายความสงสั ย, เ, ยเรามาทํานี้ถูกไหมก็เหมือนกับอาณาปานาสติเหมือนกันนะเราก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกันนั้นก็เราก็ทําตามพระไตรปิฎก เพราะนั้นการที่เรารู้อาการที่คู้แขนเหยียดแขนเนี่ยก็รู้ไปบัติตามมตยบิโดกนะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าสติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ต่างกันเพราะว่าอาณาปาณาพภะนั้นนะก็เป็นผู้ที่ต้องมีจิตละเอียดพอสมควรนะในการที่จะตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมละเอียดลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความละเอียดมาก ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรจะทำนะแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่มีจิตที่ละเอียดนะที่สามารถที่จะตามรู้ในสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าใครที่จิตไม่ละเอียดเพียงพอก็จะเริ่มรู้สึกมึนหัวนะกดหัวมึนหัวรู้สึกตึงๆหน้าผากนะรู้สึกว่าหนักนะรู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกแล้วนะพอตั้งใจรู้ก็หายใจไม่สะดวกนะแสดงว่าจิตเราไม่มีความละเอียดพอนะอันนั้นทําทไปก็จะเป็นอันตราย แล้วถ้าทำแล้ว ถ, ถึงแม้จะทําไปเรื่อยๆทําไปได้ก็จริงแต่แทนที่จะไปรู้ลมหายใจเข้าด้วยความมีสติจิตก็กลายเป็นสงบกลายเป็นสมาธิไปนะนั้นก็กลายเป็นสมาธิไปไม่ใช่สติที่จะตามรู้ลมหายใจะหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าขณะนี้กาลังหายใจอยู่ก็เลยกลายเป็นว่านั่งแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเลยก็มีเนาอ ะ, อะ ส่วนการที่เรายกมือเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมานี่อันนี้เป็นความหยากนะความหยากของร่างกายเรากสามารถตามรู้ในสิ่งที่หยาบๆยาได้นะอันนี้ทำทำให้เราง่ายขึ้นในการที่จะตามรู้กายเหมือนกันนะเมื่อเราตามรู้กายแล้วเนี่ยเราก็จะตามรู้จิตได้ด้วยน ะ, ะคราวนี้พอหลังจากที่สัมปชัญญะบัพพาตอมากก็เป็น ปฏิกูลอ่ามนาศสิการแบบพระนะก็คือการที่เรารู้ในอาการสารสองของร่างกายนั่นเองนะเช่นผมคนเล็บฟันหนังกระดูกนะน้ำเลือดน้ำเหลืองลอดตับหัวใจ ม, ม้ามนะต่างๆในร่างกายนะที่เมื่อวานนี้เราก็ได้สวมดมนต์ไปแล้วเนาะอ่าคืออาการต่างๆในร่างกายเราเอ า, เอาไว้ไวิว่าภายในให้เห็นว่าเป็นปฏิกูลคือความที่ไม่สวยไม่งามเนาะ เราจะได้มายึดปิดกระร่างกายอของเรานี้ต่อมาก็เป็นธาตุมณจิการแบบพรนะก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงกระรางกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำํำลมไฟธนะาตุดินก็คือร่างกายที่ส่วนที่แข็งแข็งทั้งหลายนะก็เช่นเนื้อหนังเอ็นกระดูกนะเป็นสิ่งที่แข็งนะัก็เป็นธาตุดินธาตุนะ้านําก็คื อ, อสิ่งใน กายเราที่เป็นน้ําทั้งหลายนะอะน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําปัสสาวะน้ําเหงือ่อต่างๆเป็นต้นธาตุลมนะก็อาการลมที่เคลื่อนไหว่พัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องล่างทั้งหลายแหล่นะเช่นลมหายใจน ะ, ะลมในร่างกายเรามีเยอะนะ พ, นพัดลงเบื้องล่างก็มีนะธาตุไฟเนะี่ยก็เป็นความอบอุ่นในร่างกายเรานะ ถ้าเราไม่มีธาตุไฟนี่เราก็จะย่อยอาหารไม่ได้นะแล้วจริงๆแล้วที่เราอยู่ได้ก็ใส่ธาตุไฟนะคนที่ตายปั๊บเนี่ยไม่เกินครึ่งมงตุฎ ก, ก็จะเย็นแล้วนะใส่ธาตุาไฟนี่แหลนะอทําให้เกิดความอุ่นขึ้นมานะถ้าไม่มีความอุ่นนี่แล้วร่างกายเราหยุดทันทีนะเลือดก็ไม่เดินนะเลือดจะแข็งนะบางคนไปอยู่ที่ประเทศที่อากาศหนาวจะจัดเนี่ย <c oughs> ไปติดอยู่ในที่อากาศหนาวที่บางคนตายเพราะว่าเลือดมันไม่เดินเพราะว่าเลือดมันเริ่มจะแข็งตัวอันนี้ พาธาตุไฟเนี่ยมาสิ่งนี้มาช่วยเรามีชีวิตอยู่ได้นะนะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ร่างกายเราก็ประกอบด้วยธาตุสี่นี้เท่านั้นเองนะเราจะได้เข้าใจว่าเออมันก็มีแค่ธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเนะี่ยมันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นนะเราจึงไม่ควรยึดติดร่างกายเรานะไ อ, อ, อความเป็นดินนี่มันจริงไหมนะเมื่อสักพรรปศาที่แล้วเนี่ยพอดีมีอาคารโคกโดนมามาอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กูดนั่นแหละ ตอนแรกก็เข้าไปในห้องน้ําแล้วก็เห็นตัวมันสัวปกมากก็เลยเอาน้ําอำน้ํารดให้ให้เขานะแล้วก็ไล่ออกมาจากห้องน้ําแล้วก็มายืนอยู่แถวหน้ากุฏิพอกลับมาเอาตายแล้วนอนตายพอผ่านมาสักวันเดียวสองวันเท่านั้นเริ่มกลายเป็นดินเลยนะเออแปลกมากมันกลายเป็นดินไปเลยนะมันกลายเป็นดินยังรวดเร็วก็เลยว่าเออขังคุกนี่มันก็กลายเป็นดินไปเลยนะลงไปมันยัแก่มากนั้นแหะ ตายไม่นานก็กลายเป็นดินไปจริงๆนะเราก็เหมือนกัน น, น่อยๆเราก็เป็นเหมือนเนี้ยตายปุ๊บไปเผาก็ไม่ค่อยมีอะไรเหลือนะอแทบจะหาอะไรไม่เจอนะอเป็นกระดูกมาใส่ไว้ที่บ้านอีกไม่นานก็กลายเป็นดินเหมือนกันนะอะมันมีอยู่แค่เนี้ยเราไม่มันจะต้องไปยึดถืออะไรกั บ, กบเขาใช่ไหมต่อมาก็ <c oughs> เป็นเรื่อง <c oughs> นวสีอวสิกาแบบพระก็คื อ, อป่าช้าเก้าประการนะก็คือเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยถ้านําเราไปไว้ที่ป่าช้านะสมัยก่อนก็จะนําไปไว้ที่ป่าช้าก็ไม่ได้ฝังนะไปวางไว้ก่อนเพื่อจะได้ดูอาการของร่างกายว่าเป็นอย่างไรนะร่างกายก็จะมีแรงกายมาจิกกินนะมีลำไส้ไหลออกมาเครื่องในก็ไหลออกมาเยอะแยะนะหลังนั้นก็กลายเป็นอ่า บวมขึ้นมานะอืดขึ้นอืดขึ้นพองนะหลังจากนั้นก็กลายเป็นโครงกระดูกซึ่งมีเนื้อหนังจับอยู่มีเส้นเอ็นจับอยู่นะหลังจากเส้นเอ็นที่จับอยู่แล้วก็สลายไปกระดูกก็จะเริ่ม จ, ก, ก, รจ ก, กระจายกระจายนะก็กลายเป็นสีขาวโพลนนะหลังนั้น ก, กระดูกนี้ก็จะค่อยๆเสื่อมไปกลายเป็นผง หลังนั้นเมื่อลมพัดมาผงกระดูกก็จะหายไปนะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าออทั้งหมดร่างกายเราตั้งแต่ที่ลมหายใจจนตา ย, ยมันไม่มีอะไรเลยนะม่มีแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นเองนะเป็นของที่ประกอบขึ้นมาชั่วคราวเป็นร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเองนะต่อมาก็เป็นหมวดเวทนานะเวทนาก็ให้รู้ ในสุขเวทนาในทุกขเวทนาหรือในอัตุขสมาสุขเวทนาก็คือความที่ไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเฉยๆหรือเป็นอุเบกขานั่นเองนะให้รู้ชัดเจนว่าในขณะนี้เรากําลังเสวยอารมณ์อะไรอยู่นะขณะนี้เรากำมีทุกข์มีสุขหรือเฉยๆแล้วก็ให้รู้ทันในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นนะว่าเป็นสิ่งที่เขาเกิดแล้วก็ดับไปต่อมาก็ให้รู้ในจิตตาอุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือ รู้อาการต่างๆของจิตนั่นเองนะก็ <c oughs> คือจิตเราเนี่ยก็คือจิตนะส่วนที่แสดงอาการต่างๆก็เป็นส่วนที่ประกอบขึ้นมาของจิตนะเหลือจะเรียกว่าเจตสิกก็ได้คืออาการของจิตนะแต่ไม่ใช่จิตนะแต่เป็นอาการที่เขาแสดงออกมาให้เรารู้ว่าขณะนี้เรากาลังมีอารมณ์อะไรอยู่นะก <c oughs> <c oughs> ็คือ <c oughs> มีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะ มีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะคือรู้ว่าการต่างๆจิตนั่นเองรู้ว่าขณะนี้กำลังมีความควา ม, วามโกรธความรักความชังนั่นะหรือว่าไม่มีอาการต่างๆเหล่านั้นก็รนะูนะ้ไปในขณะแต่ละขณะเหล่านั้นนะแล้วก็ให้เห็นตามความเป็นจริง ว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป <c oughs> ต่อมาเป็นประการสุดท้ายก็คือทรมารุปัสสนสติปัฏฐานนะก็ให้รูนะ้ไปในธรรมทั้งหลายต่างๆนะให้รู้ในอริศสัตต์สีสสนะ่รู้ในนิบบอสห้าในขันห้าในอญญายตะนะหกในโพชฌงเจนะ็ดซึ่งเป็นธรรมที่ครอบคุมหมู่ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้รู้ในสภาวะของธรรมเหล่านั้นว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเนี่ยมันก็หลังจากที่เรารู้ในสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจธรรมามากขึ้นและเกิดการคลายความยึดติดนะเกิดการคลายจากตัญหาเกิดเวลาคะาขึ้นมานะเราก็เมื่อเกิดเวลาคะาเราก็ออกจากความทุกข์ได้นะก็เข้าสู่นิโรธธรรมคือความดับทุกข์นะก็เข้าสู่ ความพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้นะก็คือดําเนินตามสติปัฏฐานสีนั่นเองเพื่อที่จะให้เกิดวิราคาขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติตามพระไตรปิฎกในข้อในบทนะสติปัฏฐาน4ี่นี้นั่นเองนะไม่ได้ผิดแผกแตกต่างแต่อย่างใดมันกับที่เราเจริญอานาปนณนนนนนนนสตินั่นเองนะเพียงแต่เราทําในสิ่งที่ง่ายขึ้นนะทำแล้วเราก็ถ้าทําถูกหลักแล้วเราก็ อ่าจะไม่ง่วงด้วยนะอ่าเพราะถ้าเราหลับตาปฏิบัติแล้วเนี่ยอะเพื่อนเก่าเราจะมาเยือนอย่างรวดเร็วเนะโอ <c oughs> เพื่อนเก่า <c oughs> คือความง่วงนั่นเองนะถ้าเรานั่งหลับตาปฏิบัติเนี่ยเพื่อนเก่าก็มาเยือนเร็วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราหลับตาปฏิบัติเนี่ยมันทําให้จิตมันอ่าเข้าสู่ภายในแล้วมันส ง, สงบได้เร็วนะอันนั้นเพื่อนเก่าก็มาเยือนเรานะ แต่ถ้าเราลืมตาปฏิบัตินะนั่งยกมือลืมตาเนี่ยเราจะเห็นตามความเป็นจริงนะของสิ่งต่างที่เกิดขึ้นน ะ, ะเห็นสิ่งต่างเพราะเราการปฏิบัติธรรมนี่ <c oughs> เรายัต้องรู้ไปตามความเป็นจริงนะไม่เอาจิตเข้าไปสู่ภายในนะแต่เรารู้ในะการเคลื่อนไหวของกายและใจนะรู้สิ่งต่างเหล่านี้ไปนะโดยอาศัยการเคลื่อนไหวเหล่านี้แหลนะ พอเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยเราไปบัตดอย่างนี้จิตก็สงบได้นะยกมือืึ้นไหวเนี่ยจิตสงบได้เมื่อจิตสงบมันก็จะเริ่มง่วง <c oughs> ก็จะเริ่มง่วงอีกนะอ่ะ่า น, นะไะเราเมื่อเราลืมตาเราก็จะชนะก็ได้นะอ่เพราะฉะนั้นการไปบัตนินี้จริงๆแล้วไม่ได้ให้จิตเราสงบแต่อย่างใดแต่ว่าเขาก็สามารถสงบได้นะแต่ไปบัตดนี้ให้จิตเขาตื่นรู้นะตื่นรู้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นต้องจับประเด็นให้ถูก เพราะว่าบางบางทีก็เคยคุยกันนักปฏิบัติเพราะว่ามาปฏิบัติต้องหลายวันแล้วจิตยังไม่สงบเลยนะเขาตอนนี้อธิบายก็ฟังว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบนะถ้าไปบัติให้จิตสงบมันก็กลายเป็นสมถะไปนะเพราะว่าบางทีปฏิบัติแล้วเนี่ยพอมันจิตไม่สงบก็ไปบังคับให้ก็สงบก็มีนะอันนั้นเป็นการที่ไม่ถูกต้องแต่เราต้องเวงการปฏิบัติให้รู้ตามความเป็นจริงในอาการของกายนี่แหละยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดเนี่ยรู้ตามความเป็นจริง เพราะว่ามันไม่เจาเป็นจะต้องสงบแต่อย่างใดแต่ให้รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะเมื่อเรารู้ไปตามความเป็นจริงในจิตก็จะตื่นขึ้นมาในการที่จะตามรู้กายและใจไปตามความเป็นจริงเพราะเมื่อเรามีการตามรู้กายเกิดขึ้นน ะ, ะการที่เราตามรู้กายนี่แหละเขาเรียกว่าเราตามรู้ <c oughs> ไปตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันนั่นเองนะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วนะ สิ่งสําคัญที่เราจะต้องอยู่ก็คืออยู่กับปัจจุบันธรรม <c oughs> ปัจจุบันปัจจุบันธรรมนะเป็นธรรมที่สําคัญมากนะ <c oughs> อ่าก็ <c oughs> <c oughs> มีกล่าวไว้ในพัตเตกะลัสตะสูตรซ <c oughs> ึ่งเราจะได้ส่วนในตอนต่อไปนะพัตเตกะลัสตะสูตเนี่ยก็คือให้เราอยู่กับปัจ <c oughs> ปจุบัน ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัฏฐะตัฐวิปัสสติอาสังหิลังอาสังกุ ป, ปังตังวิธามนุปหะอรเย <c oughs> บุคคลใดที่อยู่กับธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในนิทานนั้นอย่างจแจง่มแจ้งไม่งอนงนัคนคลอนแคลนเขาวควรพอกพูนอะาการเช่นนั้นไว้ก็คือพูดที่อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราเนี่แหละก็คือปัจจุบันธรรม <c oughs> ให้พอกพูนสิ่งนั้นไว้ก็คือการทําให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองเนาะ คือการที่เราอยู่กับปัจจุบันอันนี้ถ้าเราจับหลักได้ว่าการไปบัติสติประธาน4นะหรือการที่เรามาเจาริญสตินี้ก็คือการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะมันก็จะง่ายขึ้นเนาะอยู่กับปัจจุบันนี้เราจะทําอย่างไรนะอยู่กับปัจจุบันก็เช่นอ่าการที่รู้ลมหายใจเข้าออกในอนัปปน า, าสติปปัปปะก็คืออยู่ปัจจุบันนั่นเองรู้ว่าขณะนี้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้ เพราะนั่นเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวขึ้นเรารู้ว่ า, าขณะนี้กรลังยกแขนขึ้นเราก็รู้เอาแขนลงก็รู้นะเอาแขนเอามือมาไว้ที่ท้องมาไว้ที่หน้าอกก็รู้เนี่ยก็เป็นการรู้ไปในขณะปัจจุบันนั่นเองนะเขาเรียกว่ารู้ไปตามความเป็นจริง <c oughs> พอรู้ไปตามความเป็นจริงก็จะอยู่กับปัจจุบัน <c oughs> การอยู่กับปัจจุบันนี่ดีอย่างไรนะเพราะเมื่อการอยู่กับปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย การที่เราคิดไปในอดีตก็ดีนะคิดไปในอนาคตก็ดีเราจะรู้เท่าทันได้เร็วขึ้นนะเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะเหมือนกับตอนนี้เรานั่งอาสนะของเราเนี่ยไม่มีใครมานั่งอาสนะเราได้หลอกเมื่อเขามานั่งเราจะรู้ทันทีว่าเขามานั่งซ้อนอาสนะเราแล้วเราก็สามารถที่จะผลักเขาออกไปได้นะก็เหมือนกับเรานั่งอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะเหมือนมีความคิดเป็นอดีตคิดเป็นอนาคตเราก็รู้ทันเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะนี่เกิดในสองแห่งการอยู่กับปัจจุบัน เพราะมันสามารถที่จะเรารู้เท่าทันความคิดต่างๆที่ไหลเข้าไปในเรื่องต่างๆได้เร็วขึ้ น, นการที่เราอยู่กับปัจบันก็คือเราตามรู้กายไปตามความเป็นจริงนะไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอน <c oughs> ดื่มกินพูดคิด <c oughs> หรือทําอะไรก็แล้วแต่นะที่มีการเคลื่อนไหวทั้งสิ้นนะเราก็รู้ไปตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นนะก็เป็นปัจจุบันธรรม นะการอยู่ปัจจุบั น, นธรรมเนี่ยเปรียบได้อย่างหนึ่งเหมือนกับว่า <c oughs> อ่าเหมือนกับวัวนะวัวที่นะถ้าเราเลี้ยงบัวแล้วเราปล่อยบัวไว้ตามทุ่งนาเนี่ยเขาก็จะไปไกลนะหาบางทีหาตัวไม่เจอนะไปหาเจอในครั้งนึงก็จะไปอยู่ในท้องคนแล้วก็ได้นะอแต่เมื่อมีบัวแล้วเนี่ยเราต้องมีเชือกผูกอยู่นะเชือกเนี่ยผูกอยู่ เ น, นบัวก็จะไปไม่ไกลก็จะไปอยู่ใกล้ๆอยู่บริเวณเชือนั่นแหละไม่ไปไกลพั้นการที่เราเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนี้นะจิตก็ไปไม่ไกลหรอกเข้าไปแล้ว ก, ก็กลับมาได้อยู่กับปัจจุบันธรรมอีกครั้งหนึ่งในการที่เราอาศัยไปับันธรรมเป็นเครื่องอยู่ของเขานั่นก็คือการเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวมือนะโบกมือไปโบกมือมาคือวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของเขา เพราะถ้าไม่มีเครื่องอยู่นี้ก็เหมือนกับบัวที่จะเดินทางไปไกลไม่มีเชือบขูกนะเขาก็เตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยเพราะฉนั้นเมื่อไม่มีเครื่องอยู่ของใจนะให้ไม่ให้เขารู้ในการเคลื่อนไหวแล้วเนะี่ยเขาก็จะเตลิดเปิดเปิืงไปไกลนะก็จะกลับมายากแต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวของกายเกิดขึ้นนะเช่นการโบกมือนะการคู่แขนเหยียดแขนเรานี้เป็นต้นนะเขาก็ไปไม่ไกลเดี๋ยวเ้าก็กลับมารู้ได้อีกครั้งหนึ่งนะ แล้วการที่จะรู้ในการที่เคลื่อนไหวของกายหรือการคูแดแขนเหยียดแขนหรือการโบกมือโบอกมือขึ้นโบกมือลงหรือการสร้างสิบสีจังหวะนี่แหละก็ต้องอาศัยเจตนาเป็นเครื่องรู้ก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ทำด้วยความอัตโนมัติหรือทําด้วยความไม่ตั้งใจอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นเครื่องรู้ของจิตไม่ใช่เป็นเครื่องอยู่ของจิตเหมือนกันแต่ก็ต้องทั้งทำด้วยเจตนาในการที่จะรูนะ้การเคลื่อนไหวต่างๆในตรงนี้นะเมื่อมีเจตนาแล้วนั่นแหละ เขาก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าเจตนานั้นก็คืออเป็นการมันก็เชื่องที่ผูกวัวดอยไว้นั่นเองอ่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าการทํากรรมฐานก็ต้องมีเจตนาในการรู้การขึ้นไหวนะแต่การรู้นี่เราก็ไม่ได้ไปรู้เขานัน่นเกินไปนะไม่ได้ไปเจตนาที่จะรู้จนจิตไม่ได้ไปไหนเลยนะจนจิตนั่นแน่นเป็นสมาธินะไม่ทําให้จิตเนี่ยเกิดความอิดหัดนะ เกิดความมึนงงตามมาอันนั้นมันก็เราปลูกบัวจนนั่นเกินไปนะผูกเขติด ก, กับหลักเลยเนะี่ยเขาก็แย่เหมือนกันนะเขาก็อึอดอัดเขาก็มึนงงบางทีผูกก็แน่นเกิไปเขาก็เลยตายไปเลยนะ <c oughs> จิตเราก็เหมือนกันนะเราก็อย่างที่ว่าก็อย่าไปตึงเกินไปนะตึงเกินไปเนะี่ยทาให้เขาเนี่ยเกิดความเครียดทําแล้วก็ไม่สบายใจไม่สบายกายนะเราก็ทําแบบสบายๆรู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองแต่อาศัย เจตนาในการรับรู้ในตรงนั้นน ะ, ะกายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้ในตรงนั้นกนะ็จะเกิดนะเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวแล้วใจไม่รับรู้ก็จะเกิดความไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวขึ้นมานั่นเองนะเพราะปกติเราก็ทํานู่นทํำนี่อยู่ประจําแล้วใช่ไหมบางทีเราซักผ้าเนี่ยเราอยู่บ้านเราก็ซักผ้าอยู่แล้วนี่เขาเรียกว่ากายเคลื่อนไหวแต่ใจเราไม่รับรู้ในตรงนั้นนะไม่มีเจตนาในการรับรู้ เมื่อไม่มีเจตนาในการรับรู้ใจก็เกิดความเมื่อยลอยฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นความรู้สึกตัวแต่อย่างใดนะแต่ถ้าเราซักผ้าแล้วเนี่ยเรามีความเจตนาในการรับรู้ในตรงนั้นใจก็จะเกิดการรับรู้เกิดขึ้นนะเมื่อใจรับรู้ในการเคลื่อนไหวก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะความรู้สึกตัวนั้นแหละก็คือปัจจุบันธรรมกันเองเนาะนะตรงเนี้ย เมื่อเรารับรู้บ่อยๆสิ่งต่างๆรับรู้บ่อยๆจิตก็จะค่อยๆที่จะเกิดความเป็นผู้รู้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการที่เรารับรู้บ่อยๆทำบ่อยๆนั่นละก็เพื่อไปปลูกผู้รู้ให้ตื่นขึ้นมานะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วนะเราก็สามารถที่จะอยู่กับอะไรก็ได้นะอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นบางทีเรานั่งอยู่เราอาจจะ มีอะไร ส, สักอย่างเป็นเครื่องรู้นะแต่มันจะไม่ต่อเนื่องนะเช่นบางทีเราอาจจะอยู่ในที่ปะจําบันกวาดบ้านเราก็รู้ไปแต่มันไม่ต่อเนื่องอําพอกวาดบ้านเสร็จแเราจะไปทําอะไรนะก็ไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือให้มันต่อเนื่องด้วยนะให้มีการต่อเนื่องขณะนี้การต่อเนื่องเนี่ยก็เลยมีรูปแบบในการปฏิบัติศึกษาจังหวะขึ้นมาก็าเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อให้มีการรู้ในกายในบทของกายเนี่ยให้ต่อเนื่องกันนั่นเองนะ พอเมื่อเรายกมือแล้วเราสามารถทําได้ทีละครึ่งชั่วโมงทีละชั่วโมงนึงนะให้มันต่อเนื่องนั่นเองนะเพราะถ้าเราไม่มีรูปแบบนี้เราก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันนะเออบางทีเราแปลงฟันจะให้รู้ต่อเนื่องก็ไม่ได้แปลงสักห้านาทีก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นจะไปทําอะไรนะนะมันก็เลยไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเร า, าอาศัยการเคลื่อนไหวสตรีจ <c oughs> ังหวะเนี่ให้รู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ <c oughs> ต่อไปนะจิตก็จะสามารถรู้ต่อเนื่องได้เองนะพอหลังยากตรงนี้แล้วเนี่ย <c oughs> สำหรับคนที่อมีสติปัญญาแล้วก็สามารถที่จะทําให้ต่อเนื่องได้ทั้งวันนะเพราะเราเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องทั้งวันนะอ่าตื่นตั้งอ่าตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะอาจารย์ไพศาลสมัยที่ท่านปฏิบัติใหม่ๆก็ถามลงม่อเทียมบอกว่าผมจะปฏิบัติเวลาไหนบ้างครับหลวงพ่อเทียมบอกว่าให้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะก็คือให้ปฏิบัติทั้งวันนั่นเองนะ คือนอกจากที่เราจะสร้าง14จังหวัดแล้วเดินจงกรมแล้วเนี่ยมันก็จะมีความต่อเนื่องในระดับนึงที่เราสามารถเข้าใจได้ว่าเอ อ, อเพอเราเราก็ไม่อยู่เฉ ย, ยๆนะเราสร้างจังหวะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเดินจงกรมต่อให้มันต่อเนื่องนั่นเองนะคราวนี้พอหมดเวลาแล้วเราจะทําอย่างไรนะเราก็เดินไปทานอาหารกลับไปกุฏิเราไปนอนพักผ่อนกลางคืนนะหรือไปแปรงฟันนะไปกวาดพื้นนะไปถูพื้นต่างๆ เราก็ทําให้ต่อเนื่องได้นั่นเองนะเพราะเราฝึกมาแล้วว่าเออปฏิบัติมัต้องทําให้ต่อเนื่องนะไม่ใช่เวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้เป็นเวลาพักก็ไม่ใช่ก็ทําให้ต่อเนื่องไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกยกมือได้ต่อเนื่องเนี้ยเราก็ทําอย่างอื่นได้ต่อเนื่องไปด้วยไงจากความต่อเนื่องเป็นนี่แหละอ่าเขาเรียกว่าเป็นอ่าวิริยะนะเป็นขันตินะที่จะทําให้เราเข้าถึงตัวสติประญานิสในที่สุดนะ จิตเราก็จะเกิดการรู้เกิดการตื่นเกิดการเข้าใจขึ้นมานะอีกหน่อยพอเราไกลขึ้นไหวเราก็รับรู้ได้ทันทีน ะ, ะมันก็เรามาฝึกว่ายน้ําเนี่แหละฝึกว่ายน้ําในสาวายน้ำเนี่ยพอว่ายน้ําเป็นแล้วพอเราไปเที่ยวทะเลเรือล่มเราก็ว่ายน้ําเป็นเราไม่จมน้ําตายเหมือนกันนะพอเราฝึกสติปัฏฐานได้จนเข้าใจแล้วเนี่ยอีกหน่อยเราไปออกไปข้างนอกนะ กลับไปทํางานที่โรงพยาบาลเราก็ดีนะหรือไปทํางานในกิจการต่างๆก็ดีนะเราก็สามารถนําไปใช้ได้ต่อนะแม้แต่เราเดินไปเที่ยวห้างสพินค้าเราก็นําไปใช้ได้นะพระจิตนะมีการเข้าใจแล้วว่าปฏิบัติมันสามารถทําได้ตลอดเวลาอ่าเราทำได้ต่อเนื่องได้ด้วยนะมันก็จะเข้าใจในตรงนี้ว่าเออปฏิบัติทับมันไม่ได้เป็นของยากเย็นแสนเข็อะไรเลยไม่ต้องไปอยู่ในป่าในเขาาไม่ต้องไปอยู่ในสถานที่สงบเงียบ ไม่มีใครเจอตัวเรานะไม่ต้องไปหลบไปซ่อนที่ไหนอแต่มันสามารถปฏิบัติได้ทุกคนทุกแห่งแม้แต่ในที่ทํางานของเรานะหรือแม้แต่ในห้างสรสินค้าในการตลาดสดเราก็ทําได้นะเพราะเราอาศัยการลืมตาปฏิบัตินี่แหละนะเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตมันก็เลยเข้าใจตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรเลยนะมันก็เป็นแบบนั้นเองของเขาเองนะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาที่ความรู้สึกตัวได้ดุครั้งนะ เราเห็นใครเขาเดินมาเสียงดังคุยกันนะอบางทีเราไปบัตรเนี่ยบางทีเราเราจะลาคาญเพื่อนเราเออทาไมเพื่อนเราใกล้ๆนี่นเขาไม่ไปบัติกันนะเขาคุยกันอาจารย์ไม่อยู่ก็คุยกันเราก็ไม่งุดหงิดเมื่อะไรก็กลับมาตัดมาที่ความรู้สึกตัวเราเรากอ็อยู่กับปัจจุบัตนนั่นเองเนา ะ, ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับไปปฏิบัติงานเราก็เออคนหนึ่งเขาไม่ทํางานก็ส่งเสียงดังกันเมื่อก่อนเราจะยําคาญเออทำไมเสียงดังขนาดนี้นะไม่ตั้งใจทํางาน แต่เรากลับมาที่ความรู้สึกตัวปุ๊บโ ป, โปโเขาก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วอ่าก็คือตัวเราก็อยู่ตัวเราอยู่ตลอดเวลานะเราเกิดความรู้สึกได้ตลอดเวลานะเวลาเดินไปไหนมาไหนก็รู้สึกได้ตลอดเวลานะเราก็ใจไม่ฟุ่งสร้างมาสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอนันยโส ง, งแห่งการที่เรามาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนแม้แต่นิดเดียวนะเพราะเราปฏิบัติเพื่อให้รู้กายรู้ใจไปตามความเป็นจริงของเขานละเราก็จะไม่ลาคาญในสิ่งที่เกิดขึ้นมานะว่า สิ่งเหล่านั้นนะทำแล้วลำคาญแต่เมื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเราเองอยู่กับความรู้สึกตัวเราแล้วนะ <c oughs> ทุกอย่างก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดนะกลายมาว่าตัวเรานี่แหละอยู่กับตัวเรานะเราไม่มีเพื่อนสองเราเมื่อตัวเราเป็นเครื่องรู้เท่านั้นเองนะคือความรู้สึกตัวนั้นนะก็ใส่ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นบันไดนะเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่มรรคผลิพานในนาคตการนะหรือจริงๆก็ไม่ได้อนาคตการหรอก ถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆเรานี่เองเนาะเพราะฉนั้นธรรมะเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นแต่อย่างใดเราสามารถนําไปใช้ได้จริงไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็ได้ผลจริงๆนะเพราะฉะนั้นในสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระสุรัตน์ไตรให้ทุกท่านนะมีความเจริญในธรรมเจริญใยสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันธ์ ท, ทุกท่านเท่าน